พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งร้อยห้าแกจะเอาอันนี้ไปภาษีเท่านี้นะอันนี้ภาษีเท่านั้นเท่านี้อันนี้เขาเรียกบีบมาแต่ว่าสมณะสุขนี้จะไม่มีบีบใครสักอย่างทีนี้ข้อห้า 5, ปราศจากความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายที่ไม่ต้องผูกพันกับเครื่องอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้อะไรมากมายนะักข้อหกไม่มีความกลัวภัยในเรื่องถูกโจรปล้น อ่าไม่ต้องห่วงทรัพย์สินเลยนะแต่ถ้าทรัพย์เยอะๆนี่กไม่ไหวกันนะหลวงพ่อนี่ถูกฆ่าเรื่อยอะ่ะเขาทรัพย์ที่กุติเยอะมันลําบากกันนะแต่ว่าถ้าสมณะสุขจริงๆก็จะไม่มีเข้าคลองเครื่องใช้อะไรไม่ต้องห่วงเลยว่ากุติจะถูกกล้นในแบบนี้แล้วต่อไปนะเขาเจ็ดไม่ต้องคลุกคลีกับพระราชาและราชามัดไม่ต้องไปคลุกคลีไม่ต้องออกงานทุกอย่างเหมือนกันเละไม่ต้องออกงานให้วุ่นวายใจอะไร และข้อ8ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศทั้งสี่ียกว่าไปในทิศไหนก็ได้หมดและทิศสี่ทิศเนี่ยนะสําสนวนเรานะถ้าเราเป็นภาคประเทศไทยนะประเทศไทยนี่ของเราหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้เหมืนกัแต่ต้องไปดูระวังนะบางภาคก็อยู่ไม่ได้เั้นอนกับางแห่งนี่ก็ไม่ไว้เขาไม่ไต่บาตรก็อด <laughs> ท่านกล่าวอธิบายไว้ว่าผู้อยู่ในอาสมนั้นสา ม, มารถที่จะประสบสุขของสมณะแปดอย่างเหล่านี้ได้ชั้นใด เราสร้างอาสมนั้นประกอบด้วยคุณแปดอย่างฉันนั้นถือว่าที่ที่อยู่เนี่ยนะจะต้องมีคุณสมบัติแปดอย่างแบบเนี้ยจึงสมควรจะสร้างที่อยู่แต่ถ้าโหยเดี๋ยวก็มีที่อยู่ปั๊บเนี่ยโหทรัพย์สินมากต้องห่วงต้องแหนเนี่ยแสดงว่ามีโทษแล้วนะไม่ใช่สุขของสมณะแล้วบวชมาทุกมาเฝ้าของอย่างเดียวก็หมาไว้ใช่ไหมบวชมาแล้วมาเที่ยวสแสวงหาแต่บินทบาทอย่างเดียวก็ไม่ดีนัยยะแห่งภาษาบาลีมีอยู่อย่างหนึ่งว่า ถ้ากล่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะอันนี้กล่าวแบบตรงๆแต่ก็ต้องมีการพลิกนัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าตรงกันข้ามกับสิ่งนี้เรียกว่าโทษของความเป็นสั ม, มณะส ม, มณะถ้าเข้ามาตรงข้ามข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีโทษละมันก็ต้องพยายามว่าให้มันตรงตามนี้เจนถอดต้องไม่หวงแหนทรัพย์สินและเข้าแต่มีไหมทัส ม, มณะที่หวงแหนก็เคยได้ยินนะมัฉริยาห้า อาวาตมัชฉริยะหัวละมัชฉริยะที่อยู่อาศัยเจนิพรข้อทีสองหวงแหนบินทะบาทหวงแหนบินทะบาทนี่คือสายบินทบาทไงสายนี้ต้องเป็นของชั้นของเอิญห้ามมาเหยียบสายด้วยนะนี่ตระกูลชันตระกูลนี้ใช่ไหมเจริญพบริโภคแต่บินทบาทที่เย็นเจนิญพรคือไปบินทะบาทส่วนใหญ่เนี่ยนะอาหารเนี่ยเคว่าลงจากเตาแล้วบริโภคเลยก็ยาก ถ้าหากว่าไปขอร้อนร้อนนี่ถ้าจะไม่ถูกเธอขอไม่ได้เรียบเคียงไม่ได้นะถาหากนิทัตบัตหรือว่าถ้าเกิดไปบีบบังคับก็ไม่ถูกถูกไหมครับไม่ถูกเป็นไปเลยไปบีบบังคับหรือว่าไปเรียบเคียงไม่ได้ไม่ได้ปราจากความกําหนัดด้วยความพอใจถ้าไปติดข้องในบรรดาอัฐบริการทั้งหลายก็เอว่าผิดพลาดแล้วออไม่ใช่ความสุขของสมณะใช่ไหมไม่ขอเกิดความสุข จะทนทุกและมีความเกรงกลัวคนจะมาปล้นกุฏิตลอดเวลาใช่ไหอันนี้มีเคยได้ยินนะครับว่ามีบางท่านไม่กล้าออกจากกุฏิเลยนะกลัวเขาจะยึดคือสะสมอะไรต่้งไว้เต็มเลยเชทอนช่เราจะพูดมากไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีไม่ต้องไปคลุกคลีกับถ้าไปคลุกคลีนี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันคือมีโทษนะพอเอางี้ดีกว่า เวลาคลุกคลีกับพระราชาหรือราชามาดเนี่ยมีไม่สนทนาสมถะกรรมฐานนิปั ส, สนากรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตามีสักอย่างหรอหาอยากเป็นทีมีแต่เดรัจฉานสาัทธาแล้วก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศ ท, ทั้งสี่ไม่ถูกกระทบกระทั่งในทิศ ท, ทั้งสี่ไปทิศไหนก็ไม่มีศัตรูอย่างั้นใช่ไไปได้ทุกทิศอ่ะผมเพิ่งมาเข้าใจในเรื่องที่จงกรมนี่นะว่า ที่จงกรมนี่จาเป็นสำหรับผู้ที่บวชแต่ก่อนเคยเข้าใจผิดมาแล้วก็เคยได้รับคำแนะนำที่ผิดๆมานหน่อยเรื่องจงกรมนี่ไม่สำคัญแค่จังกรรมะแปลว่าเดินไปเดินมาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยผมนึกเข้าใจผิดมานานแล้วก็มาเห็นด้วยกับคุณสมบัติต่างๆของทางจงกรมนี่นะอย่าลืมว่าพระภิกษุนั้นนะฮะ ท่านเดินจงกรมเป็นชั่วโมงพระผู้ิพภาคทรงจงกรมวันละหนึ่งชั่วโมงตอนประมาณตีสองหลังจากที่ได้แสดงธรรมตอปัญหาธรรมกับบรรดาเทวดาและพรหมทั้งหลายในในในยามสุดท้ายนะก่อนจะบรรทมนี่จงกรมหนึ่งชั่วโมงเป็นการออกกำลังอย่างดีเลยแล้วก็ถ้าหากว่า สถานที่จงกรมไม่ครบตามคุณสมบัติอย่างนี้นะครับหนึ่งไม่ใส่รองเท้าพระภิกษุท่าไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเราก็เป็นไปตามนี้ทุกอย่างเลยครับกว้างไปยาวไปหรือว่าจะมีที่อะไรจะมาเกะกะอะไรนี่นะครับไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องทําให้สมาธิทําให้จิตในการเดินจงกรม่เพราะไม่ได้เดินปะเฉย นอกจากจะเดินแล้วยังจะต้องทํากิจการงานทางใจอ่ะคือว่าจะต้องจเจริญทั้งไม่สมถะก็วิปัจนาตลอดเวลานะจึงจะเป็นการเดินจงกรมแล้วก็เป็นการออกกําลังไปในตัวด้วยนี่ก็เพิ่งมาทราบอานิสงค์เพราะฉะนั้นก็ต้องยกอานิสงค์ขออนุโมทนากับท่านผู้การที่ได้ท่านได้สร้างที่จงกรมให้กับท่านอาจารย์นี่สําหรับที่จงกรมที่บ้านนะครับก็ยังไม่ถูกต้องเป็นบางส่วนนะครับ เช่นที่ทํามาแล้วความกว้าง75เซนนี่ได้นะครับแล้วความยาว30เมตรก็ได้แต่ว่าพื้นสายค่อนข้างจะแข็งกันนิดหนึ่งจะต้องซุยให้ละเอียดเอาสายหยาไปด้านล่างแล้วเอาสายละเอียดไปด้านบนไม่ทราบว่าต้องรดน้ําให้ชุม่มหรือเปล่าครับคุณครับคือให้นี้มันนวยไปดม่มเดินได้กําว่านะ ค, คือไม่ใช่มันเหยียบแล้วมันยุบลงไปครับผมคือต้องไม่ให้ยุบใช่ไครับอันนี้ก็จะได้ไปทําให้ถุกท่องนะครับ ก็สำหรับท่านที่มีจิตเป็นกุศลอยากจะสร้างที่เดชจุกรมให้กับฟัดผังวัดนะครับก็ได้กลุ่นทราบตามนี้ด้วยนะครับถ้าเท่าที่ทราบมายังไม่เคยเห็นวัดไหนก็มีที่จงกรมแบบนี้นะที่อื่นอาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ไม่เคยเห็นนะเห็นมีที่วัดอุโมงค์อยู่ที่หนึ่งนะครับที่ท่านแดงท่านทําไว้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าท่านพระที่ไหนท่านอยากจะมีที่ชงกรมก็ถ้าดูพระสูตรนี้นะครับ เขาจะบอกว่ากว้าง75เซนยาว30เมตรแล้วก็มีพื้นที่นุ่มคือข้างล่างมีทรายหยาบแล้วก็โรยด้วยทรายละเอียดข้างบนเราอย่าให้มีที่เกะกะอย่ามีที่ทําให้สมาธิของท่านอาจจะท่องสะดุดลงก็ขออนุญาตเรียน ร, รนู้ศาสตร์พระนิกรครับคุณการเดินจงกรมนั้นก็คือการเดินตามปกติก็เดินเหมือนธรรมดาคนเดินเพราะเป็นเดินออกกําลังกายอ่ะ แต่ที่นี้ว่าการเดินออกกําลังกายนี้เดินแบบการเจริญกรรมฐานควบคู่ไปด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นปุถุชนชาวบ้านทั่วไปก็จะเดินคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคิดการคิดงานคิดอะไรตามธรรแบบชาวโลกไปแต่ถ้าการเดินจงกรมตามคําสอนก็คือเดินแล้วใส่ใจกับกรรมฐานใส่ใจกับคําสอนหมวดใดหมวดหนึ่งสูตรใดสูตรหนึ่งบางทีก็แค่สูตรเดียวนั่นแหละตรึกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละ เพื่อที่จะให้เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมในหมวดนั้นๆ น, น, นั้นพระองค์กล่าวว่าสมาธิของการเดินจงกรมเนี่ยมีมากในอังคุตรนิกายปัญจการนิบาทกล่าวถึงอนิสงค์ของการเดินจงกรมเอาไว้ด้วยแล้วพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่สอนเรื่องจงกรมบางท่านก็อาจจะรังเกียจในเรื่องเอ๊ะจงกรมแต่ที่จริงเนี่ยคำว่าจงกรมนี้ก็คือมาจากศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ที่พระองค์ทรงสแสดงด้วย แต่ถ้าไม่เดินเนี่ยนะพระถ้าไม่เดินฉันอาหารดีๆแล้วไปทําอะไรนั่งอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวก็ท่านนั่งอนอนอย่างเดียวเดี๋ยวพระองค์บอกว่า อ, อคนขี้เกียจเนี่ยนะนอนพลิกไปลพลิกมาเหมือนสุกรที่ถูกปรนปรือด้วยผักนะฉันแล้วเข้าห้องบ่อยๆฉะ น, นั้นเหมือนกันแล้วถูกตำหนิอีกนะเพราะมีทูดองอยู่ข้อหนึ่งข้อสิบามเรียกว่าเนสัชชิกก็คือการสมาทานเว้นอิระยา บ, บทนอนเดินยืนนั่ง แต่ที่ท่าเหล่านั้นเนี่ยท่านจะทําในหัวหรือท้ายที่จงกรมของท่านจะมีไม้กระดานอยู่แผ่นหนึ่งยืนหลับเอาบางทีก็ยืนพิงกระดานถ้ามันเมื่อยมากก็ยืนพิงแผ่นกระดานถ้าดูในประวัติท่าปเจกับพุทธเจ้าลูกของนางของนางอุบลวรรณาเถรีในอดีตชาติท่านเป็นท่าปเจกับพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ยืนนิพพานหมดทุกองคเลยยืนพิงฝากระดานเนี่ยแล้วนิพพานกันหมดเลย ในประวัติของพระมหากระสปะในประวัติของพระมหากระสปะที่ได้อุปถัมภลูกของนางอุบลวรรณเทรีซึ่งเป็นท่าอรหันห้าร้อยองค์ในประวัติของนางพัฒกาปิลาเนียในนั้นเขาจะมีที่จงกรมมีแผ่นกระดานที่ยืนด้วยเพื่อที่จะได้ยืนตรึกประธรรมเพราะท่านเหล่านั้นจะไม่นอนเลยจะไม่มีอิริยาบถนอนเยพภาษารีบุตรก็ไม่มีอิริยาบถนอนหลายสิบปีพระโมกขลานะก็หลายสิบปีพระมหากระสปะก็หลายสิบปีไม่มีอิริยาบถนอน มีแต่สามอิริยาบถเท่านั้นมีหลายองค์เพราะฉะนั้นการที่มีอาชีพเป็นนักบวชนี่ถ้าจะเป็นอาชีพที่ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ง่ายเลยนะมันเป็นการทำกิจการงานทางใจที่ใหญ่โตมากเลยทำทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็นอนนิดหน่อยที่เรียกว่าชาคริการุโยคเลยนะเป็นมะควะว่าตื่นตลอดเวลานะหลับอย่างพระผู้ภาคทรงบรรทมจริงๆเพียง หชั่วโมงเท่านั้นเองนะตลอดชีวิตนะแล้วก็พระภิกษุนั้นเนี่ยก็ดําเนินตามอย่างนั้นเหมือนกันคือคือหลับน้อยที่สุดแต่หมายความว่าขนาดตื่นต้องเป็นกิจการงานทางใจนะตื่นด้วยกุศลจริงๆไงไปตื่นต้องเป็นกุศลนะมิฉะนั้นก็ก็ไม่มีประโยชน์อีกเหมือนกันไปหลับจะดีกว่าเหมือนกันคแต่ถ้าตื่นด้วยอากุศลวิตกเนี่ยพระองค์บอกว่ า, มาแมลงวันบินว่อน <laughs> สำ น, นวนเราเรียกแมลงวันบินว่อน คือการมวิตกเนี่ยนะเล่นงานรบพวนพิสุว่างั้นเถอะการมวิตกเนี่ยพ อ, องบอกเหมือนมแมลงวัน <c oughs> มีนะในในพระสูตรหนึ่งมแมลงวันเนี่ยไต่ตอมอยู่ตลอดเวลาโทสะเหมือนกลิ่นเหม็นเน่า ก, กลิ่นคาวอ่ะที่ออกมาพระ อ, องค์ก็บอกว่าพิสุบางรูปนี่ก็ลักษณะนั้นไงครับว่าคือปล่ยให้มแมลงวันเนี่ยไต่ตอมแมลงวันเนี่ยบินว่อนกลิ่นเหม็นคาว น, นี่ก็ซึมซาบออกจากตัวก็คือพิสุที่มักไปด้วยอะคุสันวิตกนี่มีนะในพระสูตรอ่ะพองเป็นคนตรัสเอง การเจริญกุศลธรรมนั้นถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาธรรมะคำสอนเหล่านี้ไปตึกมากๆผู้ที่ศึกษาในชาคริยานุโยคในจารณะจารณะสนะิบห้าจารณะสิบห้าข้อหนึ่งเรียกว่าสีละสังวรสีสองอินทรีสังวรสามชาคริยานุโยคสี่โพชเนะมะตันยุตาแล้วก็สัทธาวิริยะสติหิริโอตปะ แล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ฌานอีกสี่นี่เรียกว่าจรณะสิบห้าในจรณะสิบห้านั้นมีอยู่ข้อชาคริยานุโยคชาคริยานุโยคเนี่ยนะชาคริยานี่แปลว่าตื่นนุโยคเนี่ยนะการประกอบการตามประกอบความเพียรของผู้ตื่นคําว่าอย่างไรก็คือเป็นผู้ที่ชําระจิตจากอวรณนิยธรรมสํานวนท่านใช้คําว่าอววรณนิยธรรม ก็คือนิวร์ทั้งห้านั่นเองยืนเดินโดยที่ไม่ให้นิวรครอบงำตั้งแต่ตื่นเช้ามืดจนถึงบินธบาตกลับมาเนี่ยใช้อิริยาบถสามเดินยืนนั่งอยู่อย่างเนี้ยแต่ก็มีบอกว่ากลางวันก็พักหน่อยเดียวหว่วงเงอะนิดเดียว เ, เรียกว่าพักตานะหน่อยเดียวเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็เดินไปอีกจนถึงสี่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่ม เ, เรียกว่าปฐมยามแห่งราตรีเสร็จแล้วก็มัชิมยามก็พักผ่อน แล้วก็ตื่นขึ้นมาในปัจฉิมยามตีสองตื่นแล้วปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปอีกใช้ชีวิตแบบนี้ตลอดเพราะว่าในวี่นายเนี่ยห้ามเรื่องคลุกคลีเรื่องอะไรถูกตำหน้มาหมดแล้วไปทํากิจอย่างนั้นก็โดนเห็นไหมก็ต้องมาใช้ชีวิตในลักษณะนี้ถามว่าถ้าความรู้ไม่พอมาคิดอะไรสามวันแค่นั้นเนี่ยเลิกแล้วครับฟุ้งซ่านเชื่อนะถ้าความรู้ไม่พออะไรไม่พอเนี่ยคุยก็ไม่ให้คุย เขาบอกว่ากิจของการเข้าสู่ที่ประชุมมีสองอย่างสนทนาธรรมกันนิ่งแบบอริยะถ้าสนทนาถ้าคุยก็ต้องคุยเป็นธรรมะเป็นกระถาวัตถุสิถ้าพูดคุยเมื่อไหร่ต้องพูดเรื่องมักน้อยเรื่องสันโดษเรื่องวิเวกเรื่องไม่คลุกคลีเรื่องปรารบความเพียรคุยเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยา น, นัศนะพระ อ, องค์เนี่ยสอนให้สนทนาก็สนทนาด้วยกระถาวัตถุสิทนี้ถ้าไม่สนทนาก็นิ่งแบบผ้าอริยะ <te le> <se ver> เขาบอกว่าถ้าเจอเรื่องที่น่าดีใจมากๆเพียงแต่ยิ้มแย้มก็พอการหัวเราะคือการร้องให้ในอริยวินัยนี่ก็ไม่ได้ว่าไปหาเพื่อเรื่องคุยก็กล adjust, ้ากๆกล้าไปวันก็ไม่ใช่เพราะนั้น <te le> <se ver> เ, เราก็จะเห็นในความว่าโ อ, อ้สุปฏิปันโนเนี่ยตามคําสอนเนี่ยเป็นลักษณะ น, นั้นเพราะว่าท่านเหล่านี้อย่าลืมว่าท่านมองเห็นภพสามเหมือนไฟไหม้อะ่ะเพมันท่านจะต้องรีดทํางานนี้ให้เสร <te le> ็จเพราะอะไรเพราะชีวิตท่านเหลือน้อยพุทธปาโททุลโภ พระพุทธเจ้านะทุกวันพระองค์จะพูดเลยนะสมมุติว่ากลับจากบินทบาตพระองค์ก่อนจะเข้ากุฏิเนี่ยพระองค์จะบอกว่าพุทปุปาโททุลโภการอุบัติการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากนะตปะปชาก็ทุรภาเนี่ยการบวชก็เป็นของยากการได้เป็นมนุษย์ก็เป็นของยากการที่ท่านทั้งหลายจะมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เป็นของยากเพราะฉะนั้นท่านอย่าปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปเลยนะ กิจอันไหนที่พระาศาสดาทรงแนะนําท่านจงไปทํากิจอันนั้นเถิดโน่นโคนม้ยนั่นเรือนว่างนั่ น, นไปเพราะว่าอย่าได้เสียใจเลยเพราะตอนนี้าศาสดาอยู่พร้อมหน้าธรรมวินัยก็แสดงแล้วพันพรหมจันท ร, ร์นี้ผ่องใสควรดื่มงั้นไปปฏิบัติเลยความเพียรด้วยประกอบด้วยองค์ศีหนังเนื้อเลือดจะเหือดแห้งก็าตามทีถ้ายังไม่ประสบอิทธิพลที่อย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็จะไม่เลิกความเพียรอันนั้นสมาทานอันนี้ไว้เลย มีวัดอยู่วัดหนึ่งในในในคัมภีร์นิเทศนะนะบางองค์นี่สมาทานว่าถ้าไม่บรรลุไม่ลุกบางองค์เนี่ยถ้าไม่บรรลุไม่ออกจากกุฏินี้นะมีมีสมาทานลักษณะนี้หลายสิบองค์อย่างอย่างพระรูปหนึ่งในในวิริยาราัมภาคถาในในโพชฌงนะนะในอัตถาโพชฌงบพะสติประธานสูตรกล่าวถึงพระรูปหนึ่งเนี่ยนะไปบินทบาทพอไปบินทบาทเนี่ยมีโยมอยู่บ้านหนึ่งเขาเป็นอุปถั บ้านโยมที่อุปถักษ์นี้ฐานะไม่ดีนกักนะเนะฐานะไม่ดีก็เป็นชาวชาวบ้านชาวดอยธรรมดาครอบครัวนี้ก็มีข้าวสารนี่ข้าวสารก็ไปหาได้แต่ละมือแต่ละมือเท่านั้นเองก็อยู่กับลูกสาวสองคนแล้วก็อุปถักษ์ผ้ารูปหนึ่งอยู่แล้วก็นับถือพระลูกเนี่ยเหมือนลูกชายตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปป่าแม่ก็สั่งเสียลูกสาวว่าลูกมีข้าวสารเก่าอยู่นะลูกก็หุงข้าวอันนั้นนะแล้วก็ เปรียงอยู่ตรงนั้นเนยอยู่ตรงนี้นะปลาอยู่ตรงนั้นก็ทํากับข้าวนะทําเสร็จก็ใส่บาตรพระพี่ชายของเจ้าไปที่เหลือลูกก็ทานไปนะออาแล้วแม่บอกเออเมื่อคืนนี่แม่ทานอาหารมากแล้ววังกันเพราะฉะนั้นก็ยังไม่หิวนักเออแล้วตอนเที่ยงอ่ะแม่จะแม่จะทานอะไรเดี๋ยวเอาข้าวปลายข้าวหักหักมาต้มใส่น้ําผักให้ไว้ให้แม่นะนนลูกนะอ่านะอ่าแล้วก็พระนี่พอดีมาได้ยินพอดีเข้าก็บอกโอหมหาอุบาสิกาเนี่ยทําขนาดนี้วังกัน ขันเจ้านี่ยังเป็นปุตุชนอยู่เจ้าไม่สมควรที่จะบริโภคไม่ควรที่จะฉันบินทบาทอันนี้ขนาดตัวเขาเองเนี่ยนะเขายอมกินปลายข้าวหักหักน้ําผักดองเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเลี้ยงดูเจ้าเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเพราะว่าเออท่านเหล่านี้จะได้ไปช่วยกิจการงานถือเลี้ยงดูเพราะเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่สมควรที่จะบริโภคอาหารอันนี้ก็เลยกลับไปที่ถ้า กลับไปที่ถ้าก็บอกว่าถ้าไม่บรรลุไม่ฉันมาเนี่ยตั้งแต่ น, นี้ไปไม่ฉันอีกแล้ก็เลยเก็บบาตรเก็บจีวรก็ทํากรรมฐานแล้วก็เป็นพระอารหรันต์พระอารหันต์สายหน่อยเทวดาพ่ อ, อนุมโมทนาว่าเวลายังไม่หมดท่านก็เลยไปบิณฑบาตมาฉันแล้วก็มีในลักษณะนี้อีกหลายองค์บางองค์เนี่ยนะฉันอาหารของโยมคนหนึ่งไว้แล้วบอกว่าโอ้โหโยมเขาเสียสละอาหารมื้อนี้ของเขาเนี่ยซึ่ง อาหารมื้อหนึ่งที่พระฉันเนี่ยเท่ากับชีวิตของตัวเขาเองลูกของเขาเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุอรหันต์นะจะไม่ฉันอีกต่อไปนะจะให้มันสมควรกับข้าวมื้อ น, นั้นนะท่านก็ได้ปัจจัยสลดสังเวช ท, ท่านก็ปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้ก็มีเยอะนะบางองค์นี่ก็ปฏิบัติธรรมแบบห้าวหาญแต่อย่าลืมนะว่าท่านเหล่านั้นท่านเข้าใจแล้วนะของเราไปทําตามท่านนะตายฟรีนะเพราะเรายังไม่ท่านรู้เลยว่าปฏิบัติอะไรเลยใช่ไหม โอโ้ท่านเหล่านั้นปฏิบัติจริงๆเดินจงกรมจนเท้าอากักท่านเดินท่านคิดอะไรแล้วเราคิดอะไรอ่ะต่างกันนะศึกษาให้เข้าใจก่อนค่อยสมาทานอย่างที่ว่ า, ต า, าตายฟรีแนะ่ที่นี้ต่อไปเนีว่าบทว่าอภิญญาภะมาหิงความว่าภายหลังเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นกระทําบริกรรมในกสินแล้วเริ่มวิปัสนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงและโดยความเป็นทุกข เพื่อต้องการความเกิดขึ้นแห่งอภิน ญ, ญาและสมาบัติแล้วก็ได้กําลังแห่งวิปัสนาอันทรงเรี่ยวแรงเขาบอกว่าแม้แต่อภิญญาของนอกาศาสนาก็เจริญวิปัสนาแต่เจริญวิปัสนาที่เจริญถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่ไม่รู้จักอนัตตาเพราะกรรมสกกตาก็ไม่แน่นอะไรเพราะว่าคําสอนนอกผู้าศาสนาเนี่ยนะอย่างฤาษีทั้งหลายเนี่ยคนที่จะได้อภิญญาเขาก็รู้วิปัสนาแต่รู้ในเรื่องอนิจจังและทุกขงัง แต่ไม่รู้เรื่องอนัตตาคือความเป็นปัจจัยของแต่ละอย่างอย่างละเอียดจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยอย่างดีแต่ในเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นี่จะรู้ข้อความในอัตกถาสามัญญผลสูตรในอัตกถาสามัญญผลสูตรนั้นกล่าวอธิบายสามัญญผลสูตรเพราะว่าสามัญญผลสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิชาแปดทรงแสดงวิปัสนาญาณก่อนเป็นข้อแรก แล้วก็ต่อด้วยมโนมยิทธิเจโตปริยะบุเพนิวาสานุสติยานเป็นต้นเนี่ยนะในวิชาแปดเนี่ยขึ้นต้นด้วยวิปัสนาญาณถามว่าทาไมจึงแสดงวิปัสนาญาณก่อนแล้วจึงแสดงอภินยาต่อไปทำไมไม่พูดอภินยาเสร็จแล้วมาวิปัสนาแล้วบรรลุอริยสัจท่านพูดวิปัสนาอภินยาแล้วก็อริยสัจตอนท้ายที่กล่าวอย่างนั้นเพราะว่า ถ้าไม่พิจารณาถึงลักษณะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยนะก่อนถ้าไม่พิจารณาก่อนเนี่ยเวลาใช้หูทิพย์ทิพโสตธาตุจะได้ยินเสียงที่น่ากลัวถ้าไม่จเจริญวิปัสสนาก่อนพอได้ยินเสียงที่น่ากลัวก็จะตกใจโทสะเกิดมากๆฌ า, า, านจะเสื่อมอันนั้นก็เป็นโทษนะไปเกิดได้ยินเสียงยักษ์คำรางลั่นตาไปหมดอย่างเงี้ยจะว่าไงฮะกลัวสิพนิษ ก็ต้องเจอรนนี่ปั ส, สนาก่อนจะได้ไม่กลัวในอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นนนอะ่ะก็ทําให้ไม่เกิดการกลัวแต่อย่าลืมว่าอนอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดิจะรู้เฉพาะอ น, นิจจังทุกขังเนี่ยรู้แต่ไม่รู้ปัจจัยว่าอะไรเป็นปัจจัยของอะไรละเอียดลึกซึ่งจะไม่รู้จะรู้เฉพาะความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรื่องอนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองหรือถ้าหากว่าระลึกชาติอย่างเงี้ย ถ้าไม่พิจารณาวิปัสนาที่ว่าก่อนนะเวลาระลึกชาติไปเนี่ยจําชาติในพบบางพบเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเกิดอาการกลัวขึ้นมันก็ต้องเจริญวิปัสสนาก่อนที่จะระลึกชาติหรือถ้าไม่เจริญวิปัสสนาก่อนนะถ้าทําตาทิพอะให้มีตาทิพมองเห็นอะไรต่างๆเห็นยักษ์เห็นเปรตเห็นอะไรนะเกิดการกลัวขึ้นมาจะทํำไงก็ต้องให้เจริญวิปัสสนาก่อนหรือว่าความกลัวความสะดุ้งเกิดขึ้นเพราะ ฟังเสียงและลึกชาติมีตาทิพย์พวกนี้เป็นต้นนะถ้าไม่เจริญวิปัสสนากรเป็นปัจจัยให้เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงอธิบายว่าการเจริญวิปัสสนากรเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอภิญญาและสมาบัติพออภิญญาเกิดขึ้นก็จะไม่กลัวอธิบายว่าเมื่อเราอยู่ในอาสมนั้นสามารถนํากําลังอันนั้นมาได้ฉันใดเราได้สร้างอาสมนั้นกระทาให้เหมาะสม แกกาลังแห่งวิปัสสนานั้นเพื่อประโยชน์แก่อภินยาพออ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ติดใจสงสัยอยู่มากไปอ่านในอัตถกถาสามัญผลสูตรจึงเข้าใจอ๋อท่านมีเหตุผลอย่างนี้นี่เองเฉพาะเจอตรงนี้แปลผิดหรือเปล่าเนี่ยนึกสงสั ย, ยต่างหลายครั้งแปลผิดหรือเปล่าจะว่าคัมภีร์ไม่ดีซะอีกจว่าไปนั่นเองจเจริญเป็นจเจริญแต่ว่าไอวิปัสสนาอันนี้คืออ น, นิจจังกระทุกขงังแต่ไม่รู้อนัตตา คำว่าอนัตตาหมายคำว่ายังไงคือเรื่องของอนัตตก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองฮันรือศีข้างนอกรู้ถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ของสังขารเนี่ยเขารู้นะอย่างสุมเมธบัณฑิตเนี่ยที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดความตายอะไรเนี่ยก็รู้แต่ไม่รู้ถึงเรื่องของปัจจัยฮั้นอ น, อนัตตาก็คือเรื่องของปัจจัยนั่นเองว่าธรรมะแต่ละอย่างนั้นเป็นไปตามปัจจัยฮั น, นหลักอ น, นัตตก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทฮั น, นรือศีนอกศาสนาจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดิ ภาษะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอุปาทานภพชาติอะไรเนี่ยฤาษีธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้ที่นับถือคําสอนเนี่ยนะจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่จะรู้ถึงความไม่เที่ยงใช่ไหมเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นดังลูกศนอย่างเงี้ยก็จะรู้กันแต่ไม่รู้เรื่องของความเป็นอนัตตาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เพิ่งเข้าใจวันนี้เหมือนกันคือเรื่องว่าในสมัยก่อน ที่พระพุทิภาคจะทรงอุบัติขึ้นนั้นเนี่ยหรือว่าในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเขามีการเจริญนิัสสนาเหมือนกันนะครับเช่นระาลึกถึงความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมย่อมพิจารณาเห็น การที่มีแล้วแล้วก็ไม่มีเนี่ยเป็นไปได้ที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นไปได้หรือว่าสิ่งใดที่มันไม่ชิสุกอ่ะแล้วมันนํามาซึ่งความทุกข์แล้วมันมันมีการแตกสลายแตกดับเนี่ยเราพอเห็นได้นะผู้มีปัญญาก็เห็นได้นะครับแต่ก็คงจะเห็นไม่ลึกนะักแต่ว่าผู้ที่จะมาเห็นปัจจัยนี่นะครับเช่นสมมุติว่า จักขูวิญญาณการเห็นเกิดขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างนี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่ไม่หมดสิทธิ์เลยจะรู้ได้อย่างไรครับว่านี่นี่การที่มีจักขูวิญญาณนั้นมีปักระตูปนิชยปัจจัยนั้นมีอารมณ์ปัจจัยมีวัตถุภูเรชาตปัจจัยมีกรรมปัจจัยมีอะไรอะเยอะแยะไม่หมดเลยนะจะรู้ได้ยังไงครับภายในจิตเองก็ยังมีเจตสิกอีกนะครับยังมีชาชาตาปัจจัยอีกส่งเยอะแยะไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีทางจะรู้เลย แม้แต่ว่าภายในจิตเองประกอบด้วยเจตสิกอะไรบ้างนี่ก็หมดทางรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพระผู้พาไม่ทรงอุบัติขึ้นหมดหม ด, หมดสิทธิ์เรื่องนี้เพราะคาว่าปัจจัยไม่ใช่เหตุและผลง่ายๆตื่นๆอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชําระอั ต, ตานุทิฏฐิก็คือชําระสกายทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นเป็นการชําระศาสถทิฏฐิเรื่องของปัจจัยนั้นชําระอุเฉททิฏฐิ แต่ถ้าหากว่ารู้เฉพาะอ น, นิจจังกับทุกขังอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้เรื่องของปัจจัยดีพอจะเป็นพวกอุเฉททิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสัสถะทิฏฐิก็ได้จะเป็นพวกสกายทิฏฐิก็ไ ด, เได้เป็นได้หมดเลยพ้นรือสีนอกผู้ศาสนาที่ได้อภิญญาแล้วระลึกชาติได้บางพวกก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางพวกก็เป็นสัสถะทิฐิเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท น, Base นั้นหลักอนัตตาก็คือหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยถ้าหมดปัจจัยสิ่งนี้ก็หมดนั้นอันนี้เป็นความพิเศษนั้นคําสอนใดที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจคําสอน น, นั้นเป็นคําสอนสายกลางข้อปฏิบัติใดก็ตามถ้าเพื่อรู้แจ้งอริยสัจรู้แจ้งปฏิจจสมุปบาทข้อปฏิบัตินั้นเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็จะสัมพันธ์กันสองอย่างนั้น แต่ว่าถ้าธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะอนนี้จังกับทุกขังเนี่ยพอรู้ใช่ไหมปวดหัวโอ้ทุกทุ ก, ทกจริงจริงร้อนมากทุกมากป่วยมากแก้วแตกชามแตกกละรมังแตกนะโอ้ไม่เที่ยงใช่ไหมก็พอรู้กันคือถ้าไม่มีปัญญามันชวนให้เป็นถ้าไม่มีปัญญานะมันชวนให้เกิดโทสะนะก็พราเห็นมันไม่เที่ยงแล้วมีแต่ทุกันนะเพราะฉะนั้นศูนย์ซะดีกว่านะนี่เป็นอุเฉททีนะ่มันชวนให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าหากบอกว่าเออ ไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครบันดาลเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปสยบกับผู้ที่บันดาล น, นะไปเอาใจกับผู้ที่บันดาลให้เราได้สุขได้ทุกข์นั่นนะนี้ก็เอียงไปทางศาสนาที่ตีแล้วว่าเออต้องมีของแท้ของจริงนู่นเพราะฉะนั้นก็ไปทางด้านเทวนิยมไปเลยนะเอออันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าว่าถ้าหาว่ารู้ทั้งสามอย่างนี้ก็มัชฌิ ม, มาปฏิปทา ศึกษามัชชิมาปฏิปทาเข้าใจก็เข้าใจสวากขาโตภควตาธรมบกด้วยและจะเข้าใจสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคว่าพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอะไรเพราะท่านปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทามบางท่านเขาใจโอ้มัชชิมาปฏิปทาก็คือไม่แข่งเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นแหละพอดีเขาว่างั้นเอ้ยแข่งเกินไปเป็นยังไงไม่รู้หย่อนเกินไปเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกนั่นแหละ อันถ้าไม่รู้เรื่องอริยสัจจะไม่ใช่มัชชิมาปฏิปทาเลยอันข้อปฏิบัติใดเพื่อรู้อริยสัจข้อปฏิบัตินั้นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางาต่อไปนะในคาถานี้ว่าสกตังปชะหิงตัทธนาวโทสะสมุปปาคตังมีคําที่จะกล่าวไปตามลําดับดังต่อไปนี้ท่านก็เล่าเรื่องประกอบด้วยว่า ได้ยินว่าในการนั้นเมื่อวิศนุกรรมเทพรบุตรเนรมิตรอาสมที่ประกอบด้วยกระท่อมที่เร้นและที่เดินจงกรมโดยทางโค้งดาระดัดไปด้วยต้นไม้ผลดอกออกผลมีน้ำมีรสอร่อยน่ารื่นรมปราศจากสัตว์ ร, ร้ายและนกมีเสียงร้องน่าสะพึงกลัวต่างๆอันควรแก่ความสงบสงัดก็ อ, อย่าลืมว่าวิเวกเนี่ยนะได้กายวิเวก เสียงนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการเจริญชานทั้งลักขณูปณิสชาญและอารัมมณูปณิสชานนลยนะจัดหาพนักสําหรับพิงไว้ในที่สุดสองข้างแห่งที่จงกรมอันตกแต่งแล้วนะก็คือกระดานพิงหัวท้ายที่จงกรมอ่ะ น, นะเพื่อที่จะได้ยืนได้ทั้งแผ่นหินมีสีดังถั่วเขียวมีหน้าเสมอไว้ที่ตรงท่ามกลางที่จงกรมภายในบรรณาสลานั้นสแสดงว่าที่นั่งที่ยืนที่เดินสามอิริยาบทนี่สบายเลยนะ เนรมิสิ่งของทุกอย่างที่เป็นไปเพื่ออุปการะแกบันประชิตยอย่างนี้คือชะตาชะตามนทน่ะนะชะดาทรงกลมอนะภาพเหลือกไม้บริขารของดาบทมีสามง่ามเป็นต้นนะสามง่ามไว้สอยผลไม้พวกนี้ที่ซุ้มน้ำก็มีหม้อน้ำเดืมสังตักน้ำเดืม